โอ้โหจะาวาหาพุทธศาสนาเป็นกาวฝากได้ไงพุทธศาสนาสอนคนให้เป็นคนดีเนะี่ยว่าสอนคํานี้แหละมันเป็นนําเป็นน้ํามธรรมมันมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเหมือนกับเราสอนวิชาให้กับเด็กเนะี่ยกอไก้ข้อไข่เอบีซีดีอะไรก็ตามสอนให้เด็กเด็กได้ความรู้ความฉลาดแลนะมองไม่เห็นจุดนั้นเออเมื่อมองไม่เห็นก็ดูถูแล้ว้ะนี่